กตันนี้ก็เหนื่อยละกี่นาทีเรองดูนาฬิกาไม่ถึงอันนั้นนาทีมาไปแล้วไปไหนสีสิบถึงช่วเท่าไหร่อ๋อมันก็มันเกือบสิบสามสิบนาทีและะ้วเนาะถึงสามสิมนาทีหมไ้ท่องเที่ยวครันี้ก็รู้สึกว่าหนักมากนะผม ผมไปเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประเทศชาติผมอุตส่าห์ไปแล้วไปมีสภาระนาดตั้งตันับ ต, ตั้งแต่วันเก้าออกจากวัดไปเรียกว่าขึ้นเวทีแห่งความยุ่งยากตลอดไปเลยเราวทั้งกลับมาสิบสี่วันเต็มและเยอะสมุกทั้งบ้นเอามากนอกจากนั้นยังประเทศในสถาบันต่างๆซึ่งมีสถาบันใหญ่ๆทั้งนั้น มากต่อมากปกทงลงทีวีอะไรมายุ่งกวนตลอดโอยหนักมากจริงๆเหนื่อยนี่ก็เงินดอนลาร์นั้นก็นได้เข้าแล้วเข้าเข้อประกาศรับมาแล้วทางสหรัฐรับมาแล้วเรียบร้อยหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันดอลลาร์เขาประกาศรับะเรียบร้อยแล้วถึงถึงแล้ว สมความมุ่งหมายของเราที่ตั้งใจไว้ว่าเพื่อจุดนั้นอย่างเดียวไม่ลงจุดไหนให้เข้าจุดนั้นให้เข้าจุดนั้นถ้าไม่เข้าจุดนั้นไม่ยอมให้มีเขารับรองทุกอย่างแล้วว่าให้เข้าจุดนั้นเราจึงปล่อยมือลงให้แล้วก็คอยฟังเสียงมีฟังเสียงมาก็เสียงตอบแล้วก็ถูกต้องแล้วเป็นนั้นว่าหมดห่วงใยแล้วได้ตามความมุ่งหมายร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยต่อไปก็จะค้นขวายเข้าอีกเข้าอีกอย่างนี้แหละ ได้มากได้น้อยก็าตามมันเป็นเครื่องหนุนทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ทำให้ร่มจมหนุนขึ้นโดยลำดับลำดาได้มากได้น้อยก็เป็นเครื่องหนุนเครื่องช่วยกันใครจะเสนอหน้าว่าว่าเก่งขนาดไหนก็ามาอวดสิเออพออางนั้นก็ทองคำทองคำก็เริ่มได้แล้วหลอล้อมแล้วเวลานี้ได้สิบสี่แท่งแท่งละแปดกิโลกว่านิดหน่อย แล้วทองประเภทต่างๆที่อย่างเขามาบริจาคนี้ก็ต้องไปหลอมแล้วก่อนหลอมแล้วเข้าตู้นิรภัยไว้ก่อนถ้าสมควรจะเข้าคลังหลวงเลยก็จะเข้าไปคราวนี้อาจจะได้เข้าคลังหลวงพร้อมกันไปแล้วคราวนี้ก็ต้องหลอมละต้องไปหลอมเสร็จแล้วพอสมควรจะเข้าคลังหลวงได้แล้วก็เข้าไม่ไม่อยากจะเก็บไว้นานละแล้วเก็บ เอาเข i mean, kind of ้าแต่ละครั้งละครั้งต้องประกาศให้ประชาชนทราบทั่วหน้ากันเงินไม่ว่าเงินดอนล่าไม่ว่าทองคำไม่ว่าเงินในโครงการใครแตะไม่ได้เงินในโครงการเหมือนกันเวลาจะออกแต่ละครั้งละครั้งนี้ออกจำนวนเท่าไหร่เราจะประกาศให้ทราบทั่วถึงกันหมดว่าออกไปที่ไหนที่ไหนจุดไหนจุดไหนจานวนเท่าไหร่เท่าไหร่นี่เราจะประกาศให้ทราบทั่วกันหมด เราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจทําด้วยความเมตตามีการลี้ลับที่ไหนไม่มีถึงว่าเป็นที่แน่ใจตัวเองเชื่อตัวเองเองทึงได้เป็นผู้นําของประชาชนในการบริจาคคราวนี้พระตะไลลงอยู่ที่นั่นมีสิบอเอมีสิบองค์สิองค์แน่นมีบ่ไ ม, ม, ม่หลายเป็นแน่นไม่มีบ่ไ ม, มีสิ มิตอร์พาดวนแล้วมันดีแต่ก่อนพูดการหลับมันไ่ค่อยมีเน้นหรอกมิตอร์พา ด, ดนวนมันจังเด็ดดีู่ว่ะมันมีขวมีเน้นแล้วมันมีเห็นยังไม่วัดนี่แต่ก่อนม้าผมก็บรรลับกูเลยนะหลับเทลาเน้นสองเน้นจังมากหลับมันก็เห็นยิ่ยงสังน่นอ่ะหลับมามีจักเน้นมันก็หุ่นจักกันด้วยจึงบ่หลับนะงอหะ ว่าเด็ดเด็ดมันยังไม่เห็นเด็ดมัยวะอะสี่ยี่ห้าเงยหนึ่งหรืออยู่ที่เงี้ยงั้นสี่ยี่หกหรือใช่ไหมถ้าสียี่ห้าเงยหนึ่งหรอใช่ไหมใช่อืม มันมากจริงๆนะ น, นี้วันนี้รุ้ได้ทองกี่ไร่นะนะทองดูมันจะกิโลกว่ามนะันจะเช้าถึงค่ำดมันทองได้กิโลกว่านะใครทราบไหมรุมถามเขาตอนค่ำแน่เลย ว, ว่าจะกิโลกว่ารู้มันต้องถึง ถึงเก้าสิบบาทยี่อะไรหรือว่าถึงร้อยมาสามถึงร้อยบาทก็ไม่ลืมเดียวตอนเย็นเขากเอามาที่กุฏินั่นก็ยังไม่เอามานี่มึงนั่งรูว่าห้าบาทอันนี้ไม่ได้นักเขาพรก็มาตอนเย็นนี้่บิงมันเอามาแล้วก็ให้มันเอาไปไว้ที่ข้างใน เราไปไว้อะไรเพราะมันทาแล้วจะมีใครมารับเลบอกมันเราไปไว้ข้างใหนห้องมึงผูมนิชากรเขามารับไปนี่หลือมันห้าบาทยันเรื่องทองม า, มากๆนะเวลาเนี้ยเราไปไปดูเองทองในทางหลวงรู้สึกว่ามาด้วยความเหี่ยวหอแล้วขิตใจใจหายไปเหมือนกันนะี่ทองน้อยมาก ยิงต้องเด่นหนุนดังทองนี้ให้เป็นหลักเด่นของชาติไทยเรานี่เป็นสมบัติประกันชาติจึงต้องเน้นหนักเวลาออกมาก็ประกาศลั่นเลยตอนั้นมาถึงเงยน็นๆพอดีทีมาก็ประกาศขึ้นให้ทีวีทราบและให้นําไปกระจายทั่วถึงกันหน้าว่าเราไปพกเอาความทุกความทรมาณใจมาจากการไปดูทองไม่จสบายใจเลย ท่านที่จะจะไปทำประโยชน์ทั่วโลกจะกลับมาด้วยความเบาใจกลับมากลับเป็นเรื่องกลับมาด้วยความหนักใจด้วยความเป็นทุกเพราะทองที่มุิงมิตรามากทั้งประเทศมีทองเท่านั้นผมนต้องจะมาประกาศกล้องขึ้นอยู่ให้ประชาชนทั้งหลายได้ช่วยกันเจมไม้เจมมือเกี่ยวกับเรื่องสองคำได้อะไรมากน้อยก็เท่าไรก็ไม่ว่าวผมขอให้เราได้ทองคํำเป็นหลักของชาติไว้ เป็นพี่พอใจข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวเล็กน้อยนี่นะช่วยชาติเขาเนี่ยกระจายไปหมดจนกระทั่งประเทศนอกเขารู้กันหมดหมดเวลาเนี่ยออกกระจายข่าวไปถึงเมืองนอกเมืองนามเยอะนะออกไปหมดเขามาบอกแล้วหลายประเทศรู้กันทั่วถึงไปหมดดือว่าประเทศไทยก็ไปลังช่วยตัวเอง นี่จึงจะมาประกาศให้บรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทราบเวลานี้เขากําลังยบุบยรอว่าประชไทยกําลังช่วยตัวเองเขายบุบยรอไป็นกลางๆนะวเราจะทํายังไงสมศักดิ์ศ ร, รีของเมืองไทยละไม้และสมศักดิ์ศรีที่เขาพูดเพื่อกการยุบยรอละไม้ว่าก็เอาให้เต็มเหนี่ยวนะคราวนี้นะวถ้าคราวนี้ไปไม่รอดแล้วจะไม่มีคราวไหนาไปรอดนะเราก็รู้สึกจะครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายจะเป็นครั้งเดียวกันนะจะมาซ้ําๆซักๆอีกไม่ได้ เราก็ช่วยจะเติมกำลังความสามารถของเราในเวลาที่พวช่วยได้การเทศนาวาการก็ไปให้ทุกแห่งจุดสัมพันธ์สัมพันธ์ไปให้การโต้ตอบปัญหาให้ออกทางทีวีแล้วก็เปิด อ, อกเลยจนกระทั่งถึงว่งาเอ้าถามมาเมื่อไนร่นั่นเวลานี้เราจะตอบโอ๋บ่งกองเลยเราพูงจริ ง, รงเราไม่ได้สุกทานในสามเดือนกสกสารในี่ในหัวใจเราเราไม่มีอะไระสุขทานมี่จะทำน้วนๆความจริงน้วนๆ ถามมาที่ควรจะตอบเนี่ยไหนเนี่ไห น, ไหนตอบไปเพื่อประโยชน์ท่านคนประโยชน์ที่ผู้ฟังแล้วไม่มีคําว่าแพา้ชนะไม่มีในหัวใจเราความเป็นฆ่าศึกศัตรูใครเราก็ไม่มีมีแต่ความเมตตาเลื่นล้วนเท่านั้นเองแล้วจึงไม่เป็นศัตรูกับใครไม่มีคําว่าแพา้ชนะไม่มีตอบหรือไม่ตอบเป็นเหตุผล น, นหนึ่งที่เราจะพิจารณาดูกัประโยชน์ที่จะได้จากการตอบมากน้อยหรือไม่ตอบ ฉันจึงเปิดออกให้ถามเอาถามมาวางั้นเลยบอกงงเลยเวลานี่จะตอบว่างกันการถามปัญหามันเกิดประโยชน์มากถามมาเนี่ยไหนเขาก็ถามมาตามตามข้อข้องใจของเขาแล้วตอบต้ก็ตอบไปตามตามแถวของปัญหาที่มามันก็เป็นประโยชน์กระจายออกกระจายออกการพูดการใช้ศัพทว่าการนี่มันไปกลางๆ มันก็อืดอาดอืดอาดอย่างนั้นแหนะรถบรรทุกของหนักแตงหม้อใหญ่เทศเพื่อประชาชนจนํานวนมากเราจะให้เทศเติมอัอดเติมทําไปก็ไม่ได้ผู้ที่รับฟังภาชนะในการรับฟังมันมีเหลี่ยมล้าต่างสูงต่างกันให้เลยพัสดุตามกํากลังไปมืป่อไปเสรนั้นมันก็เป็นแตงม่อใหญ่มันไม่ค่อยมีรถมือชาติอะไรอ่ะ ถ้าถามปัญหานี้ควรเด็ดมันเด็ดได้แต่อย่างไงก็ตามเรามีไม่มีความเกี่ยวข้องกับความกดดันกดเทือนแตกนั่นแยกนี่เราไม่มีเพราะฉะนั้นใครมาถามปัญหาเพื่อความแต ก, ยกแยกเราตัดตันทีบอไม่ตอบนอกจะไม่ตอบแล้วก็ย้อนกลับเลยปัญหาอื่นไม่มีหรือจึงต้องมาถามปัญหาอย่างนี้นั่นเอาเลยนะๆๆๆี่นี่ไล่กลับใช่เพราะเราไปเพื่อความสมัครสมานเราไม่ไปเพื่อความแตกแยกนี่นะ กำลังมันอยู่กับความสมัครสมานต่างๆไม่อยู่กับความแตกแยกเนี่ยความแตกแยกเป็นการทำลายไม่ใช่ทางไม่ใช่ทมนํามาปฏิบัติยังไงเราเป็นผู้นําคือเป็นผ้าซะด้วยเนี่ยต้องเป็นธรรมนว้อ น, วนอย่างเดียวตอนนั้น ตอบหนักเบามากน้อยเพียงไรให้อยู่ในเขตของธรรมของธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่กผู้ฟังถ้าจะเป็นเกินกว่าความสียหายความแตกแยกอย่างนั้นเราตอบไม่ได้เตือนทันทีเลย เรายังแน่ใจอยู่ว่าต่อไปนี้ทองคำเราจะได้มากเพราะก่อนจะมานี่ก็พอดีบรร ด, ด, ดานดาวทีวีก็มาเหมือนว่าช่วยชะตาของชาติไทยเราให้หนุนยิ่งขึ้นให้เร็วยิ่งขึ้นตามตารางข้ามขานาดนั้นเขาไม่มาวันนั้นเราก็หิวกระหายที่อยากจะพูดเรื่องทองคำที่เราไปเห็นมาเองหลังจากไปเห็นมาแล้วกลับมามันค่ำเลเนี่ยไอ้พวกทีวีเขามาเต็มอยูนะ่ละทุกเวลา แต่ตอนค่านันธรรมดาเขาไม่มา ว, วันนั้นเพิ่นมาที่เราอย่างเอามาม้าวางั้นเล ย, ลยก็จะพูดอยู่แล้วนี่ว่าขึ้นทองคํารั่นเลยว่ะเอาให้เนี่ยไปออกทางทีวีทุกช่องน้าว่าเราไปเห็นมาเองเนี่ยยืนยันข้อ น, นี้นะว่ไม่สงสัยแล้วเราไปเห็นด้วยตาของเราเองเรานํามาพูดไม่มีผู้ใดพู ด, ด, พดแล้วเราพูดไม่โกหกโลกเราบอกนี่เลยเอาให้รีบประกาศทันทีหน้าว่าเมื่อไหร่แล้วนี่บกพร่องอยู่จุดสําคัญคือหัวใจของชาติได้แก่ทองคํามาให้เอาจุดนี้ให้มากนะว่า นี่เราจึงมีหวังว่าทองคำเราจะค่อยมีขึ้นโดยลําดแบบับเพราะเราเน้นหนักทางทองคามากคราวนี้ไปเน้นหนักมากที่สุดหลังที่ไปดูทองคํามาแล้วแต่ก่อนเราก็พูดทองคําไปที่หนึ่งโดนล่างเงินสดเป็นที่สองที่สามไปก็พูดธรรมดาแต่คราวนี้ไปเจอทองคําอย่างนั้นแล้วออกมาด้วยความสะดุดใจจึงมันเน้นหนักออกมากนี่พูดที่ไหนก็เน้นหนักทางทองคําทั้งนั้นนลยที่นี้โอ้หัวใจของชาติเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ ตอนนั้นนะเราลเลือกกันนาทนะผมเหนื่อยผมอุตส่าห์ออกมาอยู่แล้วมาเหนื่อยนอนลํนบาบังจะของผมนอนมอกุกกระพังเทปผมนะจะอื่นมายุ่งไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเวลานี้นะเรื่องโรครืองสารนี้มามายุ่งไม่ได้เลยมันตดันดจนขาดขนาดไห น, นก็ไม่รู้นะมันเป็นของมันเองนะนี่ถ้าเป็นทำแนละ้วประสานกันระหว่างคันกับกิจระหว่างคันกับกิจประสานกันกล่อมกันไปนี่แปลกอยู่นะ ถ้าเรื่องธรรมแล้วฟังธรรมแล้วมันมันอะไรให้พูดไม่ถูกนะคือว่าประสานกันระหว่างขัต ด, ดับกิจกับธรรมเข้าประสานเนี่ยดีแต่เรื่องโลกนั้นปั๊บเดียวเลยมันไม่ยุ่งคุณ ง, ง่ายๆนั่นแหละมันตัดถึงขั้ น, นด่านนั่นไม่ยุ่งเลยอ่ะเอากลับเอาอันีอ้ออกบ่แล